แล้วต่อไปคำว่ามระณะบรรลัมวาสรมนัยยะนะครับรณบรรมวาสรมนยะแปลว่าคืนปรณาขึ้นคืณความอ่านนะรั้นท่านจะได้เรียนรูบนะครับคืนปรณาขึ้นคืนความอ่านก็คือความว่าที่จูดพู่นะครับหรือยันงบนใบนาเป็ต้นเอ้าว่าพู่ก็ได้นะฮด้วยวันจันวันเมื่อการหรือว่าเขียนหนังสือลงิปใาใบนา พัฒนาเป็นความภายโดยการเป็นต้นว่าผู้ใดตายอย่างนี้ผู้นั้นจะได้ทรัพย์เปนต้นนะ เ, อ, นเองนั่นูดแค่ได้เดียวนะตอนนี้ท่านูดเยอะเลยนะไอ้ต้องพัฒนาเความภายเ้ยี่่านมากนลยครับที่สูบแม้สแสดงโทษละความไปอยู่คือแสดงโทษละความเ ป, อ ย, อ, มเปอยู่นะและก็พัฒนาเป็ความตายไอได้สองอย่างนะพัฒนาเป็ความภาย แรงวดความเป็นอยู่เมื่ออยูอออย่แล้วไม่มียังไงเมเราแล้วก็พัฒนาุมความตาโดยนายยิ น, ะยนความว่าจะมีปรียอะไรด้วยความเป็นอยู่อันช่วยพาวกเ่นี้ของท่านผู้ไม่ได้เพื่อบริโภคคนะอนีอย่างนี้จ ต, ต้องนะนี่นะตาของฟันเป็นอยู่เมื่อเรก็ช่วยพัฒคมวามานี่เมื่อถามเป็นอยู่ไนะม่ดนะีเ น, นี่ยก็เนะ่าว่าให้เขาตายในเมน่ะเราเนี่ยนะ แม้การสลดเสริมคุ ณ, ค, ณ, ค, ณวความตายนะสลดเสริมคุณความตายโดยตรงหนึ่งครับโดยในคำว่าอุมาสกท่านแหลเป็นผู้ทำกํางนานไปแล้วนะบาสท่านไม่ได้ทเลยความทายของท่านมีความความเป็นมีท่านทําการละน่าจะตักข้านไปแล้วนะครับแต่ยังตจนให้เที่ยวไปคือจะมีนักเทศออกสอนแอบ้อมมีความสุข ด, ดีในสวนธรรมวันนี้เป็นต้น อ, อันนี้ชื่อวาปรนทานคุณความตายเท่านั้น ฉะนั้นท่น board, น δα, นานพอ e ุาลีพงกาบอก่าะแยเป็นสองส่วนมากนะครับชี้ทอในความเป็นอยู่และก <ex> ็สรเสริญคุณธรรมตายนะครับคำวานาคุณธรรมตายที่ีสองอย่างนะครับชี้ทอนความเป็นอยู่และก็สริเสริคุณธรรมตาท่านก็บอกตัว่าในจัตยาน巴拉ชี้นี้นะครับที่สูดย่อมไม่ค้นจากอาัา巴รชี้เพราะการภรวนาคุณมตายนะแค่ภาวนาคุณธรรมตายนะ เราไม่ไปฆ่าแหลาข้อใช่ไหมที่เเป็นภระชีวแล้วซึ่งไม่เหมือนกับมาทินาคาศิษฐาหมดซึ่งคนแรกข้อการพูดโดยอ้อมข้อต่บมากว่าไอ้ที่อยอะยะข้อแรกทินาคาบอกว่าไอ้ที่เยอะแ่ไคือมีสีอ่านคืออะไรเาต้องมีการไปล่าหรือว่าใช้นับพื่อเราอก้อนนั้นอ่ะทินาคาศิษานหมดอ่ะคน้ากก็พูดเด้อ้อมนะแต่ต่อมาภาระชีพข้อนี้นะห้ามบมนมีครัแม้นดอ้อมก็ไมพ้น ก็พ่อข้ามามีว่าสังบั น, ย, น, านายัติพึงพนาณพิสูจน์จึงไม่พ้นจากอาบัติภาชิตแมเพื่อการกล่าวเนอ้อมในปัญญาราชิตนี้นี้เกิดฐานที่มาขึ้นมาหนึงชักต่อไปนะครับคำว่ามรณะจวักสมาภ่วยยะที่แปลว่าพึงชักชวนเพื่นอนตายนะครับพึงชักชวนเพื่อนตายนะความว่าให้อบายนะครับ ให้ถืออามาเรื่อการตายว่าจงนำสักกามาอย่างในบทพิพากาก็อธิบายอ่นี้ครับอย่างเช่นช่างทัวนะ ช, ช่างทัวเพื่อเขาตายนะครับ ช, ช่างัวา่ากจงนามิมากเอามีร่างป่าคอไร่ป่าคอตายตายเนี่ยหนันชกช่างชัวเลยจงนำมิดมาจงกินยาพิษกิ น, นมาแรงเศร้าโศมากใช่ไหมขมลากรอยดหมยอมกินมรแรงขึ้นไหน ไต่อกันม่ต้องนยไม่้อกินันมีอกิ้แล้วนาะถ้าต้องกาิงกิญาธิตรงแขวนอตายด้วเชือกนะแล้วอยูตลงในบ่อในเหนียวอยู่ในที่ฉันนะก็โดนนถ้าว่าเชื่อเราเร้่องตายแต่ชนเกิดมียอมรับคนเนี่ย มาศึกษาหาเรืองว้กุ้มแล้วกันพี่นะแค่นี้อ่างนี้เที่ยงกันหมดแล้วนะพอเราเร้่อนนะแข่อตามเลยทีนี้ใ่อะไรก็มัทตามนะอะตามที่บอก่อเป็นเป็นขึ้นกฎใช่เพราะแข่พอการคืนกั่เบนาเหมือนกันเข้ามาขั้นลาซึงเข้าขอนี้นะช่างเกิดขึ้นต่าครับ้องหมอบนี้ไม่หมอบนะหรอพวกน่าทช่ไหมโยงยกมาบวชเลย อออยู่ทางล่องไปถึงนั่นแหละคงเที่อนอย่าก็สละไปแค่ถ้าเข้ามาบวดแล้วนิสมาโยไม่มีรูมีเมีไม่ต้องเก็บอะถ้างินเราเอายายายาไม่เสถียรใไหมอยูได้มียาไม่เสนีครมบมียาไม่จิถียาไม่เสถะยยาทำไมไมตายหรือไม่ท้าไม่ตายเราวยาไม่เสถียรยาไม่เสถียรอะไรเราทําไมเราสทําไมเรา ได้แน่แน <c ười> ่ได้บางคนก็อ่านไ่แต้องไม่รู้เรื่องแล่ะอ่ะเมาคนขี้นมาทีเนสติปัญญาเขาต้องเกิดขึ้นนะความต้องเรื่องนะเอาพี่นะก็มียสองชั้นไม่พอหกนะไปอยนี้เขาท่านบอกไว้มากครับนเหมือนกับอะไรพวกพวกโคนีลเมื่อคนที่ถือครบบเท่านนะครับแล้วก็เดินวงลมไปนะพรเจอไปหม่ไว้เองนะครับ เรื đ em, đ e ่องล้งลงนี้ยลุ้งนั่นลุีเดินไปติดนะไปแบกว่าเองก็เลยเป็นทุกข์นะครับเมื่อตอนที่ถือคบเพลินนะคบเพลินไฟลุกน้อานะแล้วก็เดินทวนลงไปนะครับไอไฟนมาโดนหน้าตัวเอแลวก็บ่นว่าร้อนร้อนา้อนร้อนนะแต่ตอนเนี้ยช่รยดูมาปึษาข้าได้หมเนี่ยหาวิธีให้วิธีให้ง่ายๆทิ้งคบเพลินเลยแค่นี้เองย้อยแหลกเดินไปยึดติด้าทิ่แค่ แกอทิงนีเอถือเดินัหลเราบกทิ้ไแล้วทิ้งไปแล้เนีอยไม่ยอทเาแล้วก็มาตกอนว่เราน้องๆที่น้อยใจถเข้ามาวดอะไรเนี่ยไอกเธเดินม้ต้องน้ที่ะมาเข้ามาปวอะไรถ้าินไปปะ เราเป็นเ้ามากต้องเขียนติดไว้ที่หน้าบัญชีนะเขียนว่า่า้เปานพิชัยดีเขียนว่าไม่รับไม่รับศึกษาปัญหาครอบครัวหน้ายองเครียดมากเข้ามาหัวเสียเขียนติดไหมเพิ่งเขียนม่ไดยไม่รู้อุ่นเลยหรือคนอื่นเขาเงินหยดไม่ติดมาต่อไปนครับคาว่าอัมพบริสานครับคือว่าแน่นายผู้เป็นชา เป็นเพราะ่าแนบุตรนะแนกุตรผู้เสนออันนี้เป็นคำน้องเรี้ยงครับคําว่าจริงตุยหมีวินาห์นะคือในหัวข้อบารมีมองแน่ใจว่าแน่แน่นผู้เป็นชายจะประโยชน์อะไรด้วยชีวิตที่เป็นภูมินะครับแสงระหมาดของท่านนี้ท่านตายเสียดีกว่ามีชีวิตอยู่นะตรงนั้นะนะ น, น, น, นะครับเนี่ยถ้าจะพิมานคาว่าจรินตุยหมีวินาห์นะครับเน่ยเป็นคนําแสดงอาการสรรเสริญ แล้วสืความตายนะจะมีประโยชน์อะไรด้วยชีวิตที่ถึงช่วงแสนลำบากยากแท้นมือนท่านนี้นะครับท่านตายเสื่ความเป็นอยู่อันนี้ก็อะไรนะกล่าว่วงความเป็นอยู่ใช่ไหมแล้วก็พนัหนือความตายนะครับี้มือนคำว่าอิติจิตตมโนที่แปลว่าแปลว่ามีความคิดอย่างนี้มีใจอย่างนี้นะครับอิติจิตตมโนนะมีจิตมีใจอย่างนี้จิตต่อจิต มโจนะครับมีความคิดอย่างนี้มีใจอย่างนี้อธิบายว่ามีจิตที่จะฆ่าครับตั้งใจฆ่านะมีความคิดที่ให้เขาตายนะจะฆ่าๆๆครับดังกล่าวแล้วในคำว่าความตายของคุณกระเสริฐกว่าความมีชีวิตอยู่เอาตัวนะครับสมมติว่าคิดอยู่ในใจแต่ในทำนองไปอ๋อมันเป็นสปดแต่นี่แกลนนาคุณความตายคือด้วยๆๆๆๆๆๆความคิดอย่างนี เปนจิตใจที่เป็นอย่างนี้นะบ่มนักตอบมาอย่างที่ไทยบ่มนักตอบใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดเราคิดที่เฉลยแล้วมันทำอ่ะใช่รับหรือว่ามันเป็นแม่ให้เขาังครับบัตภัยใจมันมีนะครับอือนั่นนะครับหมยถว่าคิดแลมีความทิดจะค่าให้เขาตายและก็กยายาคุ้ความตายก็้เาฟังไปเขาตายทีถ้านเป็นความชีวิตของเขาแต่ถ้าต่อไปในบัต ในไม่มีแต่ว่าสุขก็จะมีอยู่เรื่อยๆหนึ่งนะคนนั้นก็ป่วยหนักก็จะตายแล้วนะครับทีนี้พระกเห็นว่าเอาเคยทำความดีไว้เยอะใช่เขาสมคนนี้ไปเกิดในเทวโลกก็ก็เป็นพานาเขาฟังอยู่ไปก็เราหวัยากแค่ไหนเนี่ยนะนี่แหละปัจจุนานาสวรรค์ใ้เขาฟังเราไม่ถืวให้คนตายนะแา่ความสุขในสวรรค์นี้อยู่นเราป่วยแ้วไ่เป็นไรเราไม่ีที่จะข้าแต่ตรงไข้ฟแล้วก็ เขาตายไปตายไปตายไปก็เลยเขาไม่เลตายตไปก็เลยเจ้าตายแต่ก็เลยตายครับแล้วก็อื่นเรื่องความคิดพระพุเจ้าภาษาก็ไม่ตึงคือสอบถามว่ามีจิตนึงจะให้มีจิตยังไงให้บอกว่ามัมีการผสมสุขภาพเข้ามาชีวิตเอครับก็ธรรดาสองคำนี้เราคาว่ามโนมีคำว่าจิตตั้มโนใช่ไหม มโนนะครับกางใจนะพุ่งผ้าเพื่อแสอนของจิตนะครับด้วยเหตุนั้นเในวาระจะแม่ผมนั้นลองจึง่างว่าจิตอันจิตอันใดจิตอันนั้นก็คือใจก็เป็นธรรมชาติเดียวนันนะเดี๋ยวจะว่าเรื่องที่สองชื่อตัวเองนะครับเขาว่าจิตบางคนความไม่เข้าใจเรว่าอะไรขายเขาว่มีจิตเป็นใจอะไรกันก็ตาม ตายข้อสามก็ธรรมชาติเดียวกันมันจะมีจิตนะครับใจนะครับเตเจโนแล้วก็มารข้อสามคนตายก็มาใช่ไหมลงมามันต่างไหมครับขนอสามะครับในโดยปัจนมกางเดียวกันพะอนันัจปัก็ตาจเป็นน้ครับจิตเป็นน้ำใจเป็นใจเปโอ้ยโอใจ ไม่บอกว่ายามันถูกไม่ด้าว่าไม่ใช่ไม่ได้หนุนหัวใจผมไม่ได้หุเหัวใจก็หนุนใจอนเดียวกนีกันห้ามเสียงห้าเงียไม้ประมาณนี้นะนอนนะเดี๋ยวแตยังไม่เี๋ยวย่ไงน้ำเชอได้ตื่นคุยไปได้ตื่นแล้วมีคนณค่าบ้างค่อยๆเงียบ เรือางอย่างยอมเนียบงงนบางอย่ามงรับนะก็ยิ่งยิ้มกันเลยถามย้อนขางแ่แน่แน่ได้เป็นไรถามด้วยไรพวกข้างสีลุ่นๆไงถามแม่พวกข้างก็สีลุ่นๆเลยต่อไปครับเขาว่าจากสางกปองที่แปลว่ามีความคิดหลายอย่างไอสังกปานี่รู้ไหม ก็ว ค, ความคิดหรือว่าความลำบีนะจิตต่างก็มาจากวิจิตนะจิตตานะครับแล้วมีความที่หลาห์ายเห็นในคราวนี้ก็ควรประกอบอภิสสาเข้าไปด้วยนะว่ามีความที่หลาห์ายอย่างนี้อเปลีลาานนน ย, ย น, าายนก็อย่างนี้นะข้อค <pendant S 2> วามมาสัมพันี้เป็นเพียมชื่อของการเตรียมการวางแผนนะครับเพราะว่าเรามีความที่หล า, ยยาห์าาหายที่หมายถึยงการเตรียมการวางแผนจะฆ้า ไม่ใช่จนเพียงแค่ความคิดนะไม่ใช่แค่ความคิดหรือว่าวิตกเฉย น, นะแต่เป็นการเตียวการทำมาหายเพ่อข้ า, าเร า, เาะะ<ม>แล้วในอันนี้นราในคำเนี้ยสังกัดอิติจิตาสังกอูเนี่ยการวังแผนนั้นส่งข้อข้อในสัญญาเนี่ยนี้นเหมือนสัญญาเจตนาและความมุ่งหมายครับภาษาอนีเซีที่ยากนความมุ่งหมายความประสงคนะ ที่บอกว่ามีความที่หนาให่ที่นี่นะความที่ไม่ไดมีสัญญาณนะครับคือความสําคัญหมายนะที่ให้เขาตายเจตนาความจงใจและความมุหมายที่ให้เข้าตายนะครับเพราะฉะนั้นในคําว่าอิติสังกปนนี้กึงสร้างด้ความอย่างนี้ว่ามีมีความสําคัญจะให้ตานะครับสำคัญหมายใช้เข้าตายนะมีเจตนาจะให้ตายมีความประสงค์จะให้ตายและก็พ น, นาไปนีะ เร่องาตายนนี่ตามที่สาบไว้ในคํานี้มากคุณตายเสียดีกว่าจะอยู่เพราะว่าแม้ในวาระจำแนกหมดคุณพระพ่าเจ้าก็สรงแสดงในไว้อย่างนี้เหมือนกันเห็นนั้นจึงปลาบปลามากไว้จากความที่จะให้ตายแล้วถ้ามีความวิจิตรข้าให้ตายเมื่อวิสิตรแสดงธรรมโดยนายเป็นต้นว่าการจะอยู่ซึ่งบารีของคนคู่ตังความเพียรประเสริฐกว่า การแพนาคุณความตายจะมีไม่ได้ไม่มีเลยพ่อไม่มีจิตใช่ไหมเต้องเรายนรู้การแนาครับต่อไป้วคาว่าอนิจจังปริยานีนะคุณพิมพ์ครับอันนี้อันนี้คือยัารักจิตตาสำตะปุ๋ยเฉยใช่ไหมใช่ครับปัญญารักที่เครับว่าตอนที่เกิดขึ้นมานี่ในหัวข้อเตาที่โมกขาเราจได้ครับที่บอกว่าไหนนะ คุณปรนนธาซึ่งคุณของความตายหรือช่างเพื่อเพื่อนายอย่างนี้ว่าความนะแน่นายผู้เป็นชายจะประโยชน์อะไรด้วยชีวิตนะครับจะประโยชนอะไรด้วยชีวิตที่เป็นทุ่งแสนลำบากท่านนี้ท่านตายเสียดีกว่าตื่นนะครับมีจิตอย่างนี้นะครับมีจิตารอย่างนี้มีความขึ้นหมายอย่างนี้นะครับเนี่ยที่มาตรงนี้นะที่พรนนธาแล้วก็ที่บอกว่ามีจิตอย่างนี้มีความขึ้นหมายอย่างนี้ หมาตรงนี้นะอห่างั้นตรงเรื่อความมุ่งหมายขืออะไนะเขาหมาสัญญาจารณา แ, นะและก็ความประสงค์นะแล้วก็ขึ้าไปว่ามันต้องมีพวกนี้นจริงๆขึ้นเขาต้องมีจารณสัญญาต้องมีอี้ความคิดอย่างนี้แหละถ้าไม่มีเนกะ็จะชื่อว่าการกระทำความหมายก็จะไม่ได้ที่มาคำตรงนี้าคว่าอันกปริยนิยนั้นกะ็โดยเจริยานะ ความมากยู่ปลายต่มผัสเราลงมาแล้วไปเป็นข้ออีกนึงนะคราว่ามรณะวานนั้นแปลว่าคุณาความตายนะเป็นต้นเป็นคำอ่านย้าอีกคำว่าปาหิสโกโหตินะครับเป็าชความว่าพิสุภธาการมนุษย์แรกเกิดนะไม่แต่แรกเกิดเป็นกาลันจกชีวิตนะครด้วยในต่างแล้วต้องปาชิ หรือมีการฆ่าหกอย่างอย่างแน่ที่ในที่บานนะครั่านบอนะครับนิ้วเดือดถามมิจบกาการฆาหกอย่างมีอะไรบ้างครับฆาก่อนมิจูนะถามจะคมเลยเดือนถามนะถามจะได้เป็นแก่แน่ๆถามผผมไม่ทันตัวเลยครับการฆ่าหกอย่างครับหนึ่งหนึ่ครับสองต่งเขาสามบ้านกับดา เห็นหรือไมโใช่แล้วคุณจำได้สามดัยเอาอีกเลยผมมีสามดงเียวอะไในความใจไม่อยู่เคุณทันหรือเ่าอม้วถาม่าถอายมีมีพวอยไรบาายยีนางคือแล้วบอกว่าบางคำด่าแล้วมันนีอะไรยีนถ่ายฮะบางยีนบางคำยีนตัอยู่ในคำดากันเอ วันก๊าบ้านก็อยู่ในไอ้วันนที่อยู่ในา้านก็ลยฮะับนี้กเนื้อหมุนวันนี้ก๊าบเนอนช่วยกันยุ่อยุ่งอนย่ีไเพิ่งถามมัเป็นี้นงข้อเลเพิ่นถามไมนานอ่าอาจะเบนใกล้ๆกับแม่นวลใกล้ๆกับแม่นลายนวลเขาบอกไมาให้ดูใช่ข้าจะเล่นาจะเล่นนะครับ อ๋อก็เรีนร้อีกเบมนแล้วก็รียนรู้อีกทาไทยเรียนรอีอย่างเรยข้อหนึ่งหนึ่งปากรียนข้อหนึงหน่ากรับมางสาข้าวง่าวานข้าเป็นรติเรีนขอคำนี้ถาไม่ด้รวัิเนีไม่ได้อยู่นานฟานาก็จะข้อเลยข้อข้าอง่า ลูกแน่วน mm. hm. ี้จำไม่ได้ใครมาเดินะได้อาย้อน้อย้ามพติการสรางอาวุธปืนสรองอาวปืนใช่มครับใชใ้ปืนของใช่ไหมหรือว่าชูงี้ไม่ดีไปพกต้องก็ที่สตามแม่เลยที่้กับแม่หกอย่างแมเลยนะ ถูกถามันไม่จืดอยู่อ่างันแล้วเจ้ามันมันมันเงียบจับได้แค่นี้ก็ถสอว่าถูกห้าค่นะห้าคนคีอแ่าวจากจุฬาฯเนี่ยจากจุฬาไดคนนึต่อไปในภาพเกิดและสุเทศจัวสุราษฎานีที่เมื่อข้านชาติโซนภรกิจ่หมายมืในเมอวษาลีประยุทไปแล้วข้อเหตุคือการข้างการได้ตาเหมือนกันครับ อาชีพฆ่าทารกั้ฆ่าเดินตายเนียเมื่อมีผ้าหันฆ่ายากแน่นอนครับพอผ้านย่งฆ่ยาเ่ยจะมีการค่าคืออตายว่าฆ่าหรือตายแล้วถ้าจะตายก็เลยกดนมีที่นายแน่นใช่ไหแกจะฆ่าผ้าแกจะ่าบ้าจะฆ่าขดินตายยากเลยนะจตหมาดนีนะครับคาว่ามานหนาบรนังวานนะครับสำหรับเสริมความตายแต่นอนุันธ์ในศิษยาี่บาะนะครับ เรื่องพระสกุลทีใช่ไหมที่ไปสรณเคุณความตายของอุบาสกผุ้ที่เจ็บหนักะครับที่มีสามีกับมีภรยาสวนนะครับลูกชายที่กังนะครับสิการวันนี้เปสรณะบางอย่าที่สุนีก็มีนะครับสาริกะคือใช้ผู้หญิงฆ่าร่างกายอาบัเหือนกันแล้วก็ี่สุขุณิทานนะนี่เ่กรมฐาถึงทานนะครับตอนนี้เป็นการจำแนกอาวุธนะครับ จะแม้อาบัตทุ้กดถึงกระจายไพ่อย่างีแล้วก็ปรานิชนะบอกวิสุขคุนหลวงพานเป็นต้นนะวางระดับนุนเป้าเหมือนกันนะครับเพื่อจะฆ่าเราต้องอาบัุกดนเนี่ยอนนะี้ไปทบหลวงพานไว้เล่ามายนที่อาวุเพื่อจะฆ า, านะครับี่างยาพิษนะตอนนี้ทำก้เป็นทุดกดอนเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งตองไปในหนุที่ขุไว้เมินไม่ได้จตงนะรคนตองไปนะ ได้รับทุ่งนะครับเป็นย oh, no right? the no. ังนะครับตลงไปหมือนไม่ได้รับทุ่งนะสไปเลยไม่ได้สอดตรงนะครับตั้งหมบากทุกกฎตาอลงไปตรงไปไปเลยยังย้ําหนงอยคนได้เหมต้องย้ําหน่อยคนทุกอย่างนะครับตงต่อไปนะ้ดี๋ยวพาต่อไปนะครับไปตั้งหมบาทุกกฎเพาะอะไรดูส่องอะไรดอนหน่อย อบัตทุกบทเพราะทำให้พวกยักเรมนุษย mm. ์นะครับไม่ใช uh, ่เมื่อผู a, ้ใดผู้หนึ่งตอกงไปถึงที่ขุนไม้หรือแม่จอจงข้าบัตทุกบเพราะทาให้พวกยักษ์เมนุษย์ที่แปลมาจากสติเลชานะครับและสติเลชาได้รับหมานเจ็ดต้องอับบัทุกบ์นะครับคนตอกงไม่เจ็บทุกบอันนี้เป็นยอดจงตครับ อันนี ôi, <ấy> ้ไม็เจาะจงไม่จอดตรงนะครับถ้าเป็นโต๊ก็ต้องเป็นทุกโนเอย่างนี้นะมันไม่ได้มีพเศนันน่ะคือว่าถ้าเขาเกิดทเวทนาขึ้นมาเยก็ต้องเป็นใจนะครับอันที่เด็กดีาไม่เจาะจงอ่ะไม่จดตงก็ได้เแต่ถ้าเจาะจงอ่ะแล้วค้นคืยฝ่อ่ะนี่ไงเขบอกว่าคุณไม่ได้จอะจงนะครับอันนี้รใจคราับ นานแค่เทกันจังหน้า400ปีท่าน้นเามนี้มันไม้ปลูกวมันันจะปลูที่หมานานแบนตอนแรกบอกว่านะครับแม้ปลุกดินแท้กับชชาตากปฐวีใช่หดินแท้นะครับเป็นทุกคนทุกทุกความพยายามเลยนะคพอว่าก่อนเพื่อเกิดขึ้นเป็นธุรวใจนะราบพอตายเป็นปลาชุสนถ้าไมนจอดตัวตัวก็อันเดียวกันแล้อันดีกันแับ อะไรต่มนะครัอาะจอแต่นะกำลักขูก็ดีขุดแต่งก็ดีนะครับจะต้องมนะาผู้กดนะพอข่วงยกเปรมนุษย์นะครั ท, คนนะพพครที่แปลมาจากสตรีละฐานนะคือแยกเปตแล้วก็นรัจานนะครับที่แปลนงเปมนุษย์มานะเพราะงี้เป็นขั้วหน้าผูคุดก็แล้ ว, วกกแต่นะครับและสตนีละฐานให้ได้รับบาดเจ็บสตรีละฉานในจอมเลยครับอันนี้ต้าหมาผู้กด ก็ดีรเรนชงการกีเรือนรัแปลงหงก็ดนะต้งไปีเป็นทุกขทุกรนีครับท้าไม่มนุษย์้หมาเจ็นะครับนีงไงทำใได้รับหมาเจ็นะต้องบือคันละจข้าพวกนเป็นต้นต้องบังคับทุนละจ่นะครับอ่างนีข้าข้าสตรีรัชต้อนบังคับใจดีข้ามนุษย์ต้องบําบับการชี เมาสุกตาเป็นประชิดคุณทราบประเทศแห่งอาบัตเลื่องด้วยความหางแห่งความเพยายานตามในนี้ในขาหน้าทั้งบวกอ่าวพี่ชานี้ไปหยิบมันไปการขาม่ได้หรอเร็บเ่นมาสามวันนี้ทำนี้ไมได้ครับถ้าหยิบเฉยๆข้างๆกลามขาจะได้ยินจะสีห่อน้ำตาครับ แล้วก็ดีการทางขาด้วยนะแล้ก็นอีกาอกาที่แท้ผมเพงจ่หนึรกต่อไปเชมระบาดนอกดดชยต้อดาต้องไม่สนใจต้องต้องเจ๋งต้องแบบดีเชยตบป๊อโอ้ยเหมือนเพลินนะ ขอหล้ววางคะแนนนะฮะที่ตกนี่มเป็นบอลเสียหัวใจนี่นครับผมไปทุกคนจริงท่านมองเป็นกูคนนะครับเป็นทุกคนข้อการตกไปนะครับห้ใครแสดงคนุนนะในหน่งที่สุดไว้ไม่ได้จบจบนะครับก็ถูกแล้วนะทุกไป ถ้าเ็นอย่า่นี้นะแต่ง่เคงยังไม่เจ็บจริงๆนั่นเองยัไม่เจ็บอีกไม่จบตรงนี้นะไม่จบตรงนี้นนะครับตรงทุกลใจที่บัดเจ็บเียเพราะว่าจบตรงแต่เพราะบาดเจ็เฉยๆเลยเป็นทุกข์ละใจนะครับก็ทุกข์ลเพื่อความผู้นึกเข้ามาแต่อันนี้ไม่จบตรงไม่จบตรงไม่เกี่ยวนะถ้าเกิดทิ้งไปนานๆมันก็เริ่มเป็นธรรมชาติ เดี๋ยวมึงอ่านเมื่อคนี้าจ้าอะไหครับท่านก็บอกเนี่ยท่างขุดไว้ไม่จอดจองด้วยคิดว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งจะตายเป็นปาฏิบ่าเข้าจำนวนสัตรูตกไปทางเป็นการเปลียการเป็นพ่อว่าเป็นารเปลียการท่านบอกไม่เชื่ครับตอนแรกท่าบอกเป็นทุกข์ปวดตอนนี้ขุดทุกทุกปาฏิหาริยพอขอด้วยขุได้ใจ ยิ่งถ้าเกิดข้าหันเดินปซุกไม่ถดจอลยนนี่ต่างบรรยากาศร้านชิคด้วยเราหันสายโบนักให้ยังไม่บรรลุได้ว่านที่จออกไม่ได้ตแต่ว่าถ้ายังตอรเวน้ให้เปิดช่ร่องน แป้าหลัก่วเรในในการุดอยู่เนีือนต้นยิ่งแมี่มาแม่ที่มาเนี่ยก็เดยนค้ายในเหมือนเลยนะเหมือนในธนาคาเมล็ดนะุรับแต่ทุกกทุกความพยายามนะครับก็เป็นความพยายามเรื่องต้นในการขุดนะต่อไปต่อไปต่อไปเพื่องานบัตรนะครับงานบรงาการที่ต้องงานลัตรนะครับ ยั ง, งคงเปิดอยู่ในอามัดนะครับดูในหาัดนะครับี่สูงน์ไม่ต้องอาหัดเมื่อหนึ่งพ่สูจพ์ู่้ไม่ได้องใจข่านะครับคือไม่ได้ตั้งใจฆ่าเดี๋ยวท่านจกทิมานะสองพิสูจไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าทำยมนี้ใช้ให้ผมตายนะก็มันเปนอามันะครับาไม่มีความ ป, ประสงค์จะฆ่ า, าไม่ได้ประสงค์ให้ตายการต้องการช่วยนะช่วยไวพช่วมาจนให้นะวเวขา่ายนะครับนี่ก็ไม่เป็น สี่พิสูจนมากเริ่ต้นแต่เป็นคำอธิบายในอนาคตนะคาว่ า, าไม่ได้จงใจนะครับไม่ได้จงใจก็คือพ่อผู้ตายด้วยความพยายามทําจะทำโดไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะฆ่าคนนี้ด้วยความพยายานี้ไม่ต้องอบรรมนะครับแก่ความพยายามทั้งหนึนะแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้พ่อตายด้วยการทำอย่างนี้นะครับมันวก็เลือดสาดสาดใหญ่นะครับท่าเด็กตาย ก็มี่ิสูน์พวกนี้ท่านไปลองฉาบในการหมุนบ้านเนี่ยนะแล้วลองฉาบเขาก็จะเอาสายใหญ่ที่ตามข้างมแล้วก่อนสาย้ามมาห้มากใหญ่แล้วเข้ามาพิมพ์รวมกันไว้ท่านก็ไปหยิบอันหนึ่งแล้วลุ้ไปอยู่อกทาไมนะพออยู่อันหนึ่งป้งเข้ามาทิวมกนไว้ใชหอันที่สองมก็ตกใส่แ้วตกใส่หัวเด็กนะป้าเ็นหัวเด็กตาย อ น, นี้ข้านไม่ต้องาการชีพพวกไม่ได้จาา้างใจนะครับไม่ได้จงใจว่าทำนี่จะให้ไอ้ตายมันตกจากมนะือแตกตายใช่ไเด็นแหละที่ว่าไม่ได้จงใจนะครับเขาไม่ต้องนะไม่ต้องารชีนะครับเขาว่าไม่รู้นะครั บ, ค, มมร ค, รบคือพราะผู้อ่นตายด้วยความพยางของที่สุดผู้ไม่รู้ว่าผู้นี่สังเพื่อความพยายานี้นะก็คือไม่รู้นะว่าเราพยายามทำนี่ใช่ไหมก็จะการเการทนี้ของเรา ไม่ต้องอาบันเรื่องของมีนาบันเชื้อเนื้อยาซนะครับมีนาบันเชื้อเนอยาที่มีแผนคือวิสุลุ่มหนึ่งที่มาพึ่งสารมีนธรรมครับมีานะความมีนาบนมาก็ใช่วิสุลุ่มอืยมาพิจารณาของท่านครับแล้วใช้เจรนาขหนังการอัดภาษาเนี่ยนะก็บางท่านี้ไปทุกลูกเลยไปฆ่าเสียรางเลยนะิจรณาเลยอ้าวเพิต้องการอะไรก็หยิบไปนอยู่มาแล้วทุกลูกเลยครับ นี <Edu>. ่นี่รู้มีก็เป็นอย่างนี้ะแล้วก็ก็หยิบมีก็หยิกันนะครับมเลยนะผู้รก็หยิันท่าไปนะครับเพาว่าหยิไปแล้วก็ไปฉันพอฉันปุ้มนมอล้้าหมดเลยต้องต้องตอใจาว่ามอลน้าผ่าหมดแลีทีตัวท่านไม่ฉันนะที่เหลมอล้าหมดเลยเนาะเพราะนั้นธรรที่ได้มาเนาได้มาจากมาของคนวิฉันทีนะถ้าเป็นสอบ้าว่ข้าวไอ้นะก็เลยส่ญาเพิ่กันเลย ทางนี้มีท่เอานี้ทำนั้นให้ตานก่อนนะครับให้กถึงฐานบางเสร็จแลนะอ่ครับอนน้ไม่ดีแล้วเที่ยก็ไม่กินนะสัยมไม่นครับเที่ยงม่นหรือว่ากแจ้ก็ไม่ถึงร้ไม่ไดุ้จันอ้อโทษว่าอาจมีเาพิจารณาแล้วตงมีมีกิม่นนะครับเคยพิจารณาองนะหรือว่าเขาพิจารณาหมดบ้านให้ไปก็เม่รู้ แต่ถ้าผู้ศษาอนไรยึดคำเด็กเขาจะพนะิจารณาทป็หมดมาทใช่ไหมเจ็กกรกนัวเรืนนะ่องอะไรไม่ได้ไม่เห็นดีอย่างเดีดดดดดวยว น, น, นะครับ